มังกร ย, ยกภาคสามตอนที่22สอตอนตียิงตึ้งตอนที่สามผนังห้องถูกตีเป็นตารางไม้ทั้งฝาห้องดูมั่นคงแข็งแรงเรียงรายด้วยเครื่องหยกหินแก้วจุยเจียและลัตนาชาตินานาช น, น, นิด มีจำนวนกว่าพันชิ้นทั้งชิ้นน้อยชิ้นใหญ่หลากตาเหล่าสิทธิสานักไตบุภาตื่นเต้นยิ่งหนักคุณคิดขึ้นท่านเท่าประหลาดช่างรักชอบยกหินนี้มากมายเช่นนี้เครื่องยกหินรัตนชาติทั่วทั้งฝาห้องและใต้แท่นบูชาสมควรล้าค่าไม่เช่นนั้นท่านเท่าประหลาดคงไม่เก็บรักษาไว้ในที่นี้ ในใจคุ้นคิดปรากจึงเอ่ยถามว่าหินล้ำค่าเหล่านี้อาจารย์ท่านนำมาประดับฝาห้องเพื่อการใดเล่าเท่าประหลาดกว่าตามองอย่างชื่นชมพลางหยิบหยกงามชิ้นหนึ่งยื่นให้อองสวยเจ้าจับดูสิเนื้อห ย, ยกเย็นลาวน้ำแข็ง ทุกชิ้นของหินเหล่านี้ล้วนมีพลังยามหน้าร้อนก็ให้ความเย็นชุ่มชืน้นยามหน้าหนาวก็ให้พลังที่อบอุน่นเมื่อมาประดับฝาห้องจะทําให้ห้องนี้มีพลังที่แข็งแกร่งพลังหินอย่างสมดุลก็เกิดเอกภาพเพียงผู้คนเข้ามาในห้องนี้พลังก็จะถูกปรับพลังที่อ่อนล้าจะถูกเสริมสร้าง พลังที่เจ็บป่วยก็ถูกบรนเท่าวิเศษจริงๆพวกเราสมควรเรียกห้องนี้ว่ากละไลท่านอาจารย์ห้องมณีรัตน์เป็นห้องขจัดทุกข์บำรุงสุขแก้ปงชนอีกทั้งจะเป็นแม่สื่อดึงดูดเรารัตนชาติต่างเข้ามาอีกมากมายในภายหน้า อีกไม่กี่ปีเมื่อพ้นภัยพิบัติแผ่นดินเสี่มตี่นี้จะเป็นแผ่นดินธทมแผ่นดินทองสิ่งล้ำค่ารัตนชาติและทองคำจะขุดขึ้นประเทศชาติจะร่ำรวยมีสุขแต่ผู้คนจะต้องอยู่ในธรรมพวกเราจะเป็นชาวสรีวิไลยดมสมบูรณ์พูนสุขอาจารย์ ไม่ทราบว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือไม่หากพวกเราจะขอถามถึงท่านเจ้าสํานักผู้หูที่แท้เป็นผู้ใดกันทําไมท่านมังกรที่หวาจึงเลือกมาปกครองตียิงตึงเล่าเท่าประหลาดตอบว่าท่านผู้หูเป็นบัณฑิตที่มีผู้ความรู้ได้เล่าเรียนผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งแดนไกลแดงไก่ท่านศึกษามาหมดครอบครัวท่านเป็นผู้มีอันจะกินท่านจึงเห็นแต่ความสุขแต่ด้านเดียวแต่ระหวางที่ท่องไปในต่างเดนกลับพบกับความแตกต่างของผู้คนชนชาติต่างๆความยากดีมีจนประจักษ์ว่าโลกนี้ช่างมีแต่ความทุกข์เต็มไปด้วยสงขามการพลัดพลา และทุกขพิธภัยจิตใจกระแปรเปลี่ยนที่จะเป็นพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงดุดังตระกูลและมีความกระหายที่จะศึกษาหาความจริงแท้แห่งชีวิตและจักรวาลด้วยปณิธานที่หามุ่งที่จะเข้าถึงมหาพลังที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านเล้งป๋อเทียงจุงหรือพระวลวิสุทธิเทพ ถึงนำพาท่านผู้หูไปร่ำเรียนที่เสียงเชงจิงละอาจารย์ทั้งสามอันนี้นักสุญยิสุสและมหาวิสุทธต่างได้ท่ายทอดมหาศัตว์ทำให้ทั้งกฎแห่งโลกมนุษย์กฎแห่งธรรมและละธรรมผีต่าข้าคิดว่าท่านปรมาจารย์แห่งเขามขาไยชัวคงเลือกคนไม่ผิด ที่ไปขอท่านมาช่วยเหลือสัตว์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนผ่านพ้นสามภัยแปทุกข์ด้วยธรรมต้นฤดูหลอนอาทิตย์สนธยาซาซองผิวน้ำเลื่อมพลายประกายน้ำสีทองอ่อนละมุนสะท้อนหมู่ตึกไต่บกผาและตีหญิงตึง ที่ตั้งขนานเคียงคู่กันช่างสง่างามเรือข้ามฟ้ามาเทียบฝั่งนารานไลการเวลาพระภิกษุหนุ่มใหญ่หน้าตาคมสันรูปร่างบึกบึนหน้าเกรงขามเดินนำผู้คนหญิงชายอีกสามสี่ท่านเข้าสู่สำนักไตบุกผาเจ้าสำนักผู้หูมองดูอาคันตุ ก, กะผู้มาเยือน สายตาเป็นประกายยินดีที่แท้เราอาคันตุกะต่างล้วนเป็นสหายที่ร่ำเลียนอยู่ไตฮักคือมหาวิลลยเดียวกันมาก่อนนั่นเองท่านผู้หูจึงกล่าวว่ามิพานพบกว่าสิบ ป, ปีเม่งกวงตัวก่อท่านกายเป็นภิกษุกเสียแต่เมื่อไหร่เชิญเชิญสหายทุกท่านเข้ามาดื่มน้ำชาและสนทนากัน วันนี้ช่างเป็นนิมิตหมายที่ดีด้วยข้าไม่ได้พามพบเราสหายมานมนานแล้วข่าวข่าวผู้ใดมิอาจรู้ได้เลยท่านผู้โหูพูดพางเดินนำหน้าเข้าสู่เรือนรับรองข้าบวชเป็นพระพิสุทธตั้งแต่จบการศึกษาและออกจาลิกแสวงพระธรรม ได้ท่องไปทั่วดินแดนทั้งประเทศมาถึงสองรอบด้วยเท้าเปล่าและบาทใบเดียววันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมด้วยได้ข่าวว่าท่านผูห้หูท่านมาเป็นเจ้าสำนักไตบุพาพระพิสุกเม่งกวงเพ่งมองสหายผู้น้องอย่างแปลกใจที่ชะตาชีวิตพลิกผันมาเป็นนักธรรมได้อย่างไร อย่าแปลกใจเลยท่านภิกษุเม่งกว่างในเมื่อท่านก็ทิ้งทางโลกออกบวชเพื่อแสวงธรรมจุดมุ่งหมายล้วนไม่ต่างกันหรอกต่างกันที่ท่านเป็นบัณชิตแต่ข้าเป็นฆราวาสผู้คลองธรรมข้าก็เคยคิดจะออกบวชเช่นท่านภายหลังขึ้นเขาขุนลุนจะได้ไปปฏิบัติศึกษาธรรมะจากผ้าอาจารย์เล้งป้อเทียงจุงท่องยุทธภพอยู่นานสิบกว่าปี ภายใต้กฎเกงของนักบวชผู้ทรงศีลมีมากมายมีสะดวกต่อ ง, งานจึงไม่ได้ออกบวชเช่นท่านดูท่านสดใสภายใต้ผ้าเหลืองพบปะวันนี้จักได้แลกเปลี่ยนข้อธรรมภิกษุเม่งกวงหันไปมองคณะผู้ติดตามทุกท่านต่างแต่งอาพรภูษาดูหน้าภูมิฐานท่านเม่งกวงจึงกล่าวว่า ผูมีแม่นางคนนี้ท่านอาจไม่รู้จักน้องนั้นคือสหาหตายไตหักของพวกเราแม่นางคลรวะท่านเจ้าสานักผูหูเขาจะเป็นอาจารย์ของแม่นางที่ข้าคิดนำมาฝากฝังให้แม่นางที่ศึกษาธรรมจากสานักไตบุปผาแห่งนี้หญิงสาวหน้าตาคมขายท่าทางเข้มแข็ง ผิดเส พ, พสตีเพลลุกขึ้นคาราบพร้อมกล่าวว่าข้าน้อยเอิงหูหยินผู้สามีคือศิษย์ไตหฮักรุ่นเดียวกับพระอาจารย์เม้งกวงข้าน้อยเปิดการค้าเสื้อผ้าแพรพันธ์ที่เลือชื่อมีทั้งห้างค้าส่วนตัวและขายส่งห้างใหญ่ๆทั่วราชอาณาจักรข้ามีความสนใจไฝ่ศึกษาธรรมะปรึกษาพระอาจารย์ท่าน จึงนำพาค่าน้อยมายังสำนักท่านเพื่อฝากฝังขอท่านจงรับค่าน้อยเป็นสิทธิสำนักไตรบุพาด้วยเถิดมิสอาบมีสิ่งใดที่เอิงหูหญินคิดมาปฏิบัติธรรมผู้หูเอ่ยถามอย่างประหลาดใจที่หญิงสาวผู้สวยงามแต่งตัวทันสมัยมีความสามารถในการขายยายถึงคิดหันหน้ามาสู่ทางธรรม แทนการเพลิดเพลินทางโลกมิ้ ง, งกวงคือใครเอิงหูหยินคือใครโปรดติดตามตมังกรหย ด, หยดภาคสามในตอนต่อไป 在灵山莫远求，灵山只在心后。人人有座灵山旁好向灵山塔下修。